6. สมูลายสมโมธานปริวาสจตุสตะว่าด้วยสมโมธานปริวาสกับการชักเข้าหาอาบัติเดิม400กรณีภิกษุกำลังอยู่ปริวาสศึกอุปสมบทใหม่ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกเสียภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมภิกษุทั้งหลายนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ช้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกภิกสุนั้นอุปสมบทใหม่ปิดอาบัตเหล่านั้นสงพึงชักภิกสุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกสุนั้นภิกสุทั้งหลายอันหนึ่ง ในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาส ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างปิดไว้แล้วศึกภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมทานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาทต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวในระหว่างปิดไว้แล้วสึกภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ปิดอาบัตเหล่านั้นสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโมทานปริวาท เพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัวในระหว่างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่ อาบัตเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังสองพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลาย อนนัในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างภิกษุนั้นสึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดได้ปิดไว้เมื่อก่อนไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลัง สงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังขารทิเศตหลายตัวในระหว่างปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้าง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 อาบัตเหล่าใดไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมุทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาท ต้องอาบัตสังคาทิเศตหลายตัวในระหว่างอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นรู้บางอย่างไม่รู้ปิดอาบัตที่รู้ไม่ปิดอาบัตที่ไม่รู้ภิกษุนั้นศึกแล้วอุปสมบทใหม่อาบัตเหล่าใดรู้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นไม่ปิดในภายหลังอาบัตเหล่าใด ไม่รู้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นไม่ปิดไว้ในภายหลังสงพึงชักภิสษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมทานปริวาทเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิสษุนั้นภิสษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิสษุกํกำลังอยู่ปริวาท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 อาบัตเหล่าใดไม่รู้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นแล้วปิดในภายหลังสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สโมโุทานปริวาสเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่เธอภิกษุทั้งหลายอหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุ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 อาบัตเหล่าใดไม่รู้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนรู้อาบัตเหล่านั้นไม่ปิดในภายหลังสองพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโมธานปริวาาิเพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้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 อาบัตเหล่าใดระลึกได้แล้วได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้ไม่ปิดในภายหลังอาบัตเหล่าใดระลึกไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อนระลึกอาบัตเหล่านั้นได้แล้วปิดในภายหลังสงพึงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมและพึงให้สมโอทานปริวาส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 เพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นภิกษุกำลังอยู่ปริวาทลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาส ต้องอาบัตสังคาที่เศษหลายตัวในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วลดฐานะเป็นสามเณรและเกิดวิกลจริตและเป็นผู้มีจิตฟุงสร้างและกระสับกระส่ายเพราะเวทนาและอาบัตของภิกษุนั้นปิดไว้บ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างและ พึงให้พิสดารเหมือนที่ให้พิสดารแล้วในตอนต้นอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นรู้อาบัตบางอย่างไม่รู Mother, ้ละอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นระลึกได้อาบัตบางอย่างระลึกไม่ได้ละอาบัตบางอย่างแน่ใจอาบัตบางอย่างไม่แน่ใจ ปิดอาบัตท si ี่แน่ใจไม่ปิดอาบัตที่ไม่แน่ใจภิกษุนั้นกระสับกระสายเพราะเวทนาครั้นหายจากกระสับกระสายเพราะเวทนาแล้วอาบัตเหล่าใดภิกษุนั้นแน่ใจได้ปิดไว้เมื่อก่อนแน่ใจไม่ปิดอาบัตเหล่านั้นในภายหลังอาบัตเหล่าใดภิกษุนั้นไม่แน่ใจไม่ได้ปิดไว้เมื่อก่อน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 ภิกษุผู้ควรแก่มานัตเป็นต้นต้องอาบัตสังคาทิเศษภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่มานัตละภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังประพฤติมานัตละ ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อับพานต้องอาบัต ส, สังฆาที่เศษหลายตัวในระหว่างไม่ได้ปิดไว้แล้วสุกละภิกษุผู้ควรแก่มานัตภิกษุผู้ประพฤตมานัตและภิกษุผู้ควรแก่อับพานพึงให้พิสดารเหมือนปริวาสฉนั้น ภิกษุผู้ควรแก่อับพานลดฐานะเป็นสามเณรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ควรแก่อัพานต้องอาบัตสังขารทิเศสหลายตัวในระหว่างไม่ปิดไว้แล้วไม่ปิดไว้แล้วลดฐานะเป็นสามเณร ละเกิดวิกลจริตละมีจิตฟุ้งซ่านละกระสับกระสายเพราะเวทนาละอาบัตของภิกษุนั้นปิดไวบ้างไม่ได้ปิดไว้บ้างละอาบัตบางอย่างภิกษุนั้นรู้อาบัตบางอย่างไม่รู้ละ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 เพื่ออาบัตตัวก่อนบรรดาอาบัตตามที่ปิดไว้แก่ภิกษุนั้นสะมูลายสมธทานะปริวาสะจะตุสตะจบ